คุณสามารถนั่งลงตรงนั้นใต้ร่มเงาซึ่งช่วยปกป้องจากแสงอาทิตย์คุณจะไม่รู้สึกเดียวดายเนื่องเพราะคุณมีต้นไม้เป็นเพื่อน ขณะที่คุณนั่งอยู่ที่นั่นมีความสัมพันธ์อันมั่นคงล้ำลึกรวมทั้งอิสรภาพซึ่งมีเพียงต้นไม้เท่านั้นที่สามารถรู้ได้จูบกระทั่งยามเย็นเมื่อท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเริ่มฉายแสงอัสดงความอับแสงมืดมนเข้าอบล้อมไม้นิไว้ทุกทิศทาง ของฟ้ากลายเป็นสีแดงเหลืองเขียวแต่ต้นไม้ยังคงนิ่งเงียบซ่อนตัวและพักผ่อนตลอดช่วงค่ำคืนถ้าคุณสถาปนาความสัมพันธ์กับมันเมื่อนั้นคุณจะมีความสัมพันธ์กับมนุษยชาติ คุณจะรู้สึกรับผิดชอบต่อต้นไม้ต้นนั้นและต่อต้นไม้ทุกต้นในโลกแต่หากคุณไม่มีความสัมพันธ์กับสัพพชีวิตบนโลกนี้คุณก็จะสูญเสียความสัมพันธ์ใดก็ตามที่คุณมีต่อมนุษยชาติกับผู้คนทั้งหลายเราไม่เคยมองดูอย่างลึกซึ้งเข้าไปในคุณลักษณ์ของไม้ต้นใดเลย เราไม่เคยสัมผัสมันจริงๆไม่เคยรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของมันเปลือกเยียบหยาบหรือได้ยินเสียงอันเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ไม่ใช่เสียงลมพัดผ่านใบไม้ไม่ใช่สายลมเอื่อยยามเช้าที่ทําให้ใบไม้ขยับไหวแต่เป็นเสียงของมันเองเสียงของลําต้นและเสียง อันเนียบงานของรากไม้คุณต้องไวต่อความรู้สึกเป็นพิเศษจึงจะได้ยินเสียงเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอึกทึกในโลกมิใช่เสียงจอกแจ๊กของจิตที่ช่างพูดคุยมิใช่เสียงอันหยาบคายจากการทะเลาะวิวาทและศึกสงครามของมนุษย์ แต่เป็นเสียงที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลมันเป็นเรื่องแปลกที่เรามีความสัมพันธ์กับธรรมชาติน้อยอย่างยิ่งไม่ว่ากับพวกแมลงเจ้ากบกระโดดหรือนกเข้าแมวที่ส่งเสียงร้องท่ามกลางหุบเขาเพื่อเรียกคู่ของมันดูเหมือนเราไม่เคยมีความรู้สึกต่อสปปรรพสิ่งทั้งมวลบนโลกนี้ ถ้าเราสามารถสถาปนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนลึกซึ้งกับธรรมชาติเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์แม้สัก ต, ตัวด้วยความอยากของเราเราจะไม่ทำร้ายชำแหละสัตว์เป็นๆเช่นลิงสุนัขหนูตะเภาสำหรับทดลองยาเพื่อประโยชน์ของเราเราจะค้นหาวิธีทางอื่นๆ ที่จะรักษาบาดแผลของเรารักษาร่างกายของเราทว่าการรักษาจิตใจเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงการรักษานั้นจะค่อยๆบังเกิดขึ้นทีละน้อยถ้าคุณอยู่กับธรรมชาติจะกับผลส้มบนต้นไม้กับใบหญ้าที่แทงยอดผ่านพื้นซีเมน และกับภูเขาที่ปกคลุมซ่อนตัวอยู่ในหมู่เมฆนี่ไม่ใช่จินตนาการอันอ่อนไหวหรือโรแมนติกแต่เป็นความจริงของความสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยและเคลื่อนไหวอยู่บนโลกมนุษย์ที่ฆ่าปลาวานนับล้านล้านตัวและยังคงทำอยู่สืบไปทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้มาจากการฆ่านั้นเป็นสิ่งที่เราอาจหามาได้โดยวิธีทางอื่นๆแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์ชอบฆ่าสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฝูงกวางที่ปราดเปรียวเนื้อสายที่น่าอัศจรรย์ช้างที่ยิ่งใหญ่พวกเราชอบที่จะฆ่าซึ่งกันและกัน การฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี้ไม่เคยยุติลงเลยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของชีวิตมนุษย์บนโลกนี้ถ้าเราสามารถและต้องสถาปนาความยั่งยืนลึกซึ้งกับธรรมชาติกับมวลต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่กับผู้มไม้ดอกไม้ใบหญ้าและกับหมู่เมฆที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเมื่อนั้น เราจะไม่สังหารมนุษย์คนอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามการสังหารอย่างเป็นระบบก็คือสงครามนั่นเอง